แนะนำบทอัตตลักษบทอัตตลักษ์เป็นบทบันฑิะมีสิบสององค์การบทนี้ได้กลา่าวถึงการเริ่มเกี่ยวกับบทบัญญัติของการยาการยาที่เป็นสุนนะการยาที่เป็นบิดาโดยการใช้บรรดามุลินผู้ศรัทธาให้ดำเนินตามแนวทางที่ดียิ่งเมื่อประสบกับความขัดข้องที่จะดำเนินชีวิตเช่นสามีพัญญาและเรียกร้องให้ยาพัญญาในช่วงเวลาที่เหมาะสม และในรูปแบบที่ถูกต้องนั่นคือให้ย่าเธอในช่วงหมดประจำเดือนโดยไม่ร่วมหลับนอนกับเธออีกแล้วก็ปล่อยนางไว้จนสิ้นสุดกำหนดอิดดาในข้อชี้แนะของพระเจ้านี้เป็นการเรียกร้องบรรดาสุภาพบุรุษให้ประวิงเวลาอย่าได้รีบร้อนในการตัดความสัมพันธ์ระหว่างสามีพัญญาเพราะการหย่านั้นเป็นสิ่งอนุมัติที่ล้ทรงเกตรช่งที่สุดหากไม่ใช่ความจาเป็นบงังคับแล้ว การหยาจะไม่เป็นที่อนุมัติเป็นแน่เพราะมันเป็นการทำลายครอบครัวบทนี้ได้เรียกร้องให้คำนวณกำหนดกิดดาเพื่อความถูกต้องแน่นอนเพื่อที่การสืบตระกูลจะไม่เป็นที่สับสนและเพื่อไม่ให้กำหนดเวลา ย, ยืดยาวแก่นางผู้ถูกยาซึ่งจะเกิดอันตรายแก่นางและได้เรียกร้องให้รักษาไว้ซึ่งขอบเขตของลอและไม่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระองค์บทนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับบนบัญญัติ เกี่ยวกับกำหนดเวลาอิดดาโดยชี้แจงถึงกำหนดของผู้หมดหวังในการมีเลือดประจำเดือนซึ่งเลือดประจำเดือนของนางได้ขาดหายไปเพราะมีอายุสูงหรือมีโรคอีกทั้งอิดดาของผู้ห่ิงและอิดดาของผู้หญิงที่มีคันบทนี้ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนบทได้จบลงด้วยการไม่ให้ล่วงเกินขอบเขตของอลัลลอฮโดยได้ยกอุทาหรณ์ถึงประชาชาิที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮ์และความหายาณะที่ประสบบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลลอ์ในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเก็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลละโลก يا أيها النبي إذا طلقت النساء تطلقهن ل ع د ّ ت ه ّ وأحص العدّ واتقوا الله ربكم. لا تخرجون من ب ي و ت ه ن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله و م ن ي ت ع د ح د و د الله فقد ظلم نفسه لا تجري ل ع ل الله يحج بعد ذلك أمر ا و ل ب ي أي เมื่อพวกเจ้ายาภริยาก็จงยาพวกนางตามกําหนดกิจดาของพวกนางและจงนับอิจดาของนางให้ครบพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์พระผู้วิบาลของพวกเจ้าเถิด อ, อยากขับไล่พวกนางออกจากบ้านของพวกนางและพวกนางก็จงยาออกจากบ้านเว้นแต่พวกนางจะ ก, กระทําลามกอย่างชัดแจ้งและเหล่านี้คือขอบเขตของอัลลอฮ์และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอลัลลอฮ์ แน่นอนเขาก็ได้อาธรรมต่อตัวของเขาเองจะไม่รู้ดอกหรือว่าบางทีอัลลอฮ์จะทรงปรับปรุงเรื่องของเขาหลังจากนั้นอออิิิิิาาาาาาบบบลลลลนนหมมมูรรวววตุก ่านนน้มมิิิิววคออบละกเมื่อพวกนางได้อยู่จนครบกำหนดของพวกนางแล้วก็จงยับยั้งพวกนางให้อยู่โดยดีหรือให้พวกนางจากไปโดยดีและจงมีพยานสองคนผู้เที่ยงธรรมในหมู่พวกเจ้าและจงให้การเป็นพยานนั้น เป็นไปเพื่ออัลลอ์ดังกล่าวมานั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอ์และวันพระโลกจะถูกตักเตือนให้ยึดถือปฏิบัติและผูยย้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่พวกเขาวออรมิาบ <ícios> และจะทรงประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดและผู้ใดมอบหมายแด่อลัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขาแท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์โดยแน่นอนสำหรับทุกสิ่งนั้นอลัลลอฮ์ทรงกำหนดกฎสภาวะเอาไว้แล้ว واللّيء ا س ن من المحيض من ن س ا ئ ك م إن اغتبتن إن اغتبتن ف ع د ت ه ن ثلاثة أشهر و ا ل ل ّ ي لم يحظر وأولاد الأحمال أجلهن أي ضع ن ح م ل ه م ส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภริยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีประจำเดือนหากพวกเจ้ายังสงสัยในเรื่องอิดดาของนางดังนั้นถึงทราบผดว่าอิดดาของพวกนางคือสามเดือนและบรรดาผู้หญิงที่ไม่ได้มีเลือดประจำเดือนก็เช่นกันส่วนบรรดาผู้ที่มีคันกำหนดการของพวกนางก็คือ การที่พวกนางคลอดทารกที่อยู่ในคันของพวกนางและผู้ใดยำเกลงอัลลอะ์พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เข า, า كم, นั่นคือพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงประทานมันให้แก่พวกเจ้า และผู้ใดายำเกรงอัลลอะ์พรงก็จะสรงลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาออกไปจากเขาและจะทรงเพิ่มรางวัลให้มากขึ้นแก่เขา وَإِن كُنَّ أ ُ و ل َ ا تِحَمْلٍ ف َ آ َ ف ِ ق ُ و ا عَلَيْهِنَّ حَتَّى ي َ ض ْ ع َ ن َ حَمْلَهُمْ فَإِن أَظْعَنَ ّ لَكُمْ ف َ أ ت ُ و ه ُ ن َّ أُجُورَهُنَّ و َ أ َ ت ْ م ِ و ا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَسَرْتُمْ ف َ س َ ت ُ ظ ْ ض ِ ع و ا ل َ ه ُ أُخْرَى จงให้พวกนางพำนักอยู่ณที่พวกเจ้าพำนักอยู่ตามฐานะของพวกเจ้าและอย่าทำอันตรายแก่พวกนางเพื่อเกิดความยากลำบากแก่พวกนางและหากพวกนางตั้งคันก็จงเลี้ยงดูพวกนางจนกว่าพวกนางจะลอดทารกที่อยู่ในคันของพวกนางเสียก่อนทั้นเมื่อพวกนางได้นมแก่ทารกของพวกเจ้าก็จงให้ข่าตอบแทนแก่นางและจงปรึกษาหารือระหว่างพวกเจ้าด้วยกันโดยดี และเมื่อพวกเจ้าตกลงกันไม่ได้ก็จงให้หญิงอื่นให้นมแกเด็กนั้น ควรให้ผู้ร่ำรวยจ่ายตามฐานะของเขาส่วนผู้ที่มีการยังชีพของเขาเป็นที่ขับแคลนแก่เขาก็ชงให้เขาจ่ายตามที่อลัลลอฮ์สรงประทานมาให้แก่เขาอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้ความลำบากแก่ชีวิตใดเว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่ชีวิตนั้นหลังจากความยากลำบากอัลลอฮ์จะทรงให้เกิดความสะดวกสบาย ว่าเ ا ن ่ย์มีหมู่บ้านหนี่ากอยแล้วที่ยากันพรัญชาของพระเจ้าของพวกเขาและบรรดาศาสนาทูตของปรุงเราได้จัดการพวกเขาอย่างเข้ม ง, งวด และเราได้ตอบแทนพวกเขาด้วยการลงโทษที่เลวร้ายดังนั้นพวกเขาจึงได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งกิจกรรมของพวกเขาและบนปลายแห่งกิจกรรมของพวกเขาคือความหายชนดะ อัลอลอฮ์ทรงเตรียมการลงทวษอย่างรุนแรงไว้สาหรับพวกเขาแล้วดังนั้นจงยำเกรงอลัลลอฮเถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาที่ศรัทธาทั้งหลาย เพราะแน่นอนอัลลอฮ์ทรงประทานข้อเตือนสติอันคุรานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้ว ศาสนาทูตท่านหนึ <Ninja> <flagship> ่งค <Tiffany> ือมุฮัมมัดจะมาอ่านองค์การต่างๆอันชัดแจ้งของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าเพียงเพื่อจะได้นำบรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลายออกจากความมืดสู่แสงสว่าง ส่วนผู้ใดศรัทธาต่อลอและการกระทำความดีพระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงจัดปัจจัยยางชีพอย่างดีเลิศไว้ให้แก่พวกเขาแล้วอัลลอฮฺอัลลอฮฺอลอัลลออัลลอฮวอัินลอัลลอัลฮ a ا l a h ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและสรงสร้างพันดินเยี่งเดียวกันนั้น พระบัญชาของพระองค์จะลงมาท่ามกลางมันทั้งหลายชั้นฟ้าและแผ่นดินเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมทุกสิ่งไว้ด้วยความรอบรู้ของพระองค์